ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ดตามในสังคมโลกจุก ป, ปัจจุบันโลกมันแคบก็โดยแน่นักทางคริสต์ศาสนาก็วันคริสต์มาสเด็กก็มาเป็นวันปีใหม่ Merry Christmas and Happy New Year ตัวอยู่นอกจากนั้นก็คำขวัญคำกรอะไรต่างๆแต่งกันมาสละสลวยหมออพรอนันประเสริฐเลออได้ชิตใจให้แก่กันแล้วกันร้วนจะเป็นการส่งความปรารถนาดีให้แก่กันถ้าเราไปตามตลาด ก็จะเห็นเขาวางาพสการ์ดพวกบัตรอวยพรปีใหม่ซอขอซอส่งความสุข 2,535 มีรูปภาพนั่นประกอบไปด้วยศิลปะที่งดงามหลากหลายที่แสดงออกมาและก็ข้อความอำนวยอวยพรทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอวยพรให้กันและกัน นอกจากนั้นก็ส่งจดหมายพร้อมทั้งบัตรโปสการสคสส่งความสุขให้แก่กันและกันแม้แต่าอาตมาเองซึ่งอยู่ในป่าในดงแ่งนี้ก็พลอยได้รับไปกับเขาบ้างอย่างน้อยกาสองใยได้รับคือสองใบนะถ้าเป็นคนธรรมดาคงจะรู้สึกอ้างว้างว้าเหวว่าโอน้นี่มนุษย์ในโลกเนี่ย มากมายไก่กองหลายพันล้านคนจะเป็นเหมือนล้านเราเนี่มีคนส่งความโศกมาให้สองคนเท่านั้นเองเลยแต่ความจริงแล้วไม่มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจและวก็ดีอกดีใจกระบตรไวทพรลหลังนี้บัตรหนึ่งส่งมาจากจังหวัดระยองจากลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆอีกบัตรหนึ่งก็ส่งมาจากทางเมืองร้อยเอ็ด ของหาลูกศิษลูกหาอีกเหมือนกันจะเป็นครูบาเป็นอาจารย์จ่จำได้ว่ามีเท่านี้อำนวยอวยพรมาเป็นกะเป็นกอนสรุปแล้วก็มีความปรารถนาดีขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญด้วยอายุวณนสุขภาระด้วยอำนาจแห่งพระรตนาใจถ้าเป็นคนโดยทั่ ว, วไปก็จะรู้สึกว่าแม้เหานี้ช่างอาภัพ ไม่ตรีจิตมิตรภาพความปรารถนาดีความอบอุ่นในสังคมแท้ๆดูสิทั้งปีทำงานจนเกือบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเดินทางเป็นแสนแสนหลายแสนกิโลเมตรต่อนหนึ่งปีที่เที่ยวไปเทศนาไปแสดงธรรมพร่ำสอนทุกองค์การแต่พอถึงวันเช่นนี้เราํำไม่อาภัพในความรู้สึกของคนทั่วไปอาจจะคิดแต่สำหรับพระสอง์องค์เจ้า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 ยิ่งอาดามานี่มีความเสี่ยงอัตราเสี่ยงสูงมากนั่งรถไปสแสดงทําวันวันหนึ่งหลายร้อยกิโลเมตรเดือนหนึ่งเป็นหมื่นเบื้อนเดือหนึ่งก็เป็นแสนแสนกิโลเมตรไม่รู้ว่าจะไปคว่ำจะไปนชนจะไปล้มหายตายไปเรื่อยจะพิโกงพิการตรงไหนตรงนี้ต้องเตรียมใจไว้ให้พร้อมว่าวันหนึ่งขณะหนึ่งขา้างหน้าเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะเจ็บไข้เดรป่วยหรือจะพิโกงพิการหรือว่าจะล้มหายตายไป พระพุได้จ้าตรีว่าอันนี้มิตรธรรมอีกประการหนึ่งสิ่งที่เรารู้ไม่ได้ก็คือาสถานที่ที่เราจะทอดร่างจะล้มหายตายไปตรงไหนเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะตายตรงไหนสิ้นใจถิ่ไหนกลางถนนข้างถนนบันลงพยาบาลหรือจะ อ, อยู่ในห้องนอนหลับแล้วไม่ตื่นไปเลยก็ได้อย่างนี้ชีวิตความตาย โลกภัยเค่เจ็บสถานที่ที่เราจะมาทอดชีวิตลงเราไม่สามารถจะรู้ได้สี่ประการนี้ประการสุดท้ายเมื่อตายไปแล้วคติคางไปจะไปสู่นรกจะไปสู่สวรรค์จะไปเกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเทว ด, ดา ม, มารพรตรงไหนเราก็ยังไม่สามารถจะรู้ได้อีเหมือนกันจะต้องไปตามคุณงามความดีตาม บาปตามผุตามกรรมตามเวรของเราด้วยเหตุ น, นี้ชีวิตยึงไม่เป็นสิ่งที่น่าจะประมาณได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวปีใหม่จึงจะมาคิดกันทีหนึ่งมันมันนานจ น, น, นเกินไปสาม้อยหกสิบห้าวันเป็นหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าจึงมาคิดถึงเรื่องชีวิตทีหนึ่งนี่มันแย่เกินไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าประมาณจนเกินไป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 ไม่ประมาทอาตมาเนะี้ยมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีความหมายสาหรับวันปีใหม่ก็ดีปีเก่าก็ดีไม่มีความรู้สึกแปลกแตกต่างอะไรแต่มีความรู้สึกว่าทุกวินาทีแห่งชีวิตจะต้องไม่ประมาทแล้วก็จะต้องสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ประโยชน์นั้นสประการพระพุทธเจ้าของเราหานกล่าวว่าอัตถังวาหิติขเวสัมปสมานเถนะ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 ก็สมควรแล้วนั้นเทียวที่เธอทั้งหลายจะพึงยังประโยชน์แห่งตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทต่อมาทั่นก็พูดถึงประโยชน์ของคนอื่นปรัชทงวาหิพิคเวสัมปสมา น, นิณะอลาเมวะอ ป, ปะมาเทนะสัมปาเทตุง้งดูกรทุกสุดทั้งหลายเมื่อใดเธอมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของชนเราอื่น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 ด้วยความใหญ่ก็ตามด้วยความยาวก็ตามย่มเย็ยบย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างได้ทันใดกุศลธรรมคุณงามความดีทั้งหลายที่มีอยู่ในชีวิตจารวมลงในความไม่ประมาทเท่านั้นคือถ้าไม่ประมาทแตวอย่างดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีจะงามจะรวบรวมเอาคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ชีวิตได้ด้วยเหตุ น, นี้พรปีใหม่ที่แช่จริง ที่ทุกคนปราถนานั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาเอื้ออํานวยอวยพรมาโอนให้กันได้เหมือนเงินอยู่ในธนาคารในนี้บรรยากาศของโรคมันเต็มไปด้วยความหลอกลวงซึ่งกันและกันก็นกอภัยเกับว่าหลอกลวงตนเองทุกกระทมขมเขินหน้าไม่ออกตรอมเยาะก็มาแก่งว่ามีความสุขมากขออํานวยอวยพรส่งความสุขให้แก่เธออย่างโน้นคุณอย่างนี้ ทีแท้ผู้ที่อวยพรให้ผู้ที่โอนคุณงามความดีให้เพื่อนก็เต็มไปด้วยความทุกข์จะเป็นไปได้หรือนอกจากส่งความทุกข์ให้แก่กันและกันคําว่าพรอ่พรพร อ, น, พอ น, นั้นพวกเราจึงเข้าใจกันผิดพลาดไปอีกด้วยพรอนมาจากคําว่าวระสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ปราะถนาในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านไเรียกสิ่งเหล่านี่ว่าฐานะ ฐานะแปลว่าสิ่งที่จะพึงได้จะพึงมีจะพึงเข้าถึงได้สี่ประการบางทีก็ห้าประการมีอายุวั น, นสุขภาระอย่างนี้โภคอย่างนี้บางทีก็จะเป็นกลุ่มวายุวั น, นสุขภาระอาิปไตยความเป็นผู้มีอายุยืนความเป็นผู้มีวันนะพิพันธุพองความเป็นผู้ มีความสุขทั้งกายทั้งใจความเป็นผู้มีกำลังจิตกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตไปดำรงอยู่ดำเนินไปด้วยดีและความเป็นผู้มีความเป็นใหญ่ในตนไม่ถูกอานาจสิ่งใดมาครอบงาแม้แต่อานาจกิเลสอานาจของพยามาเรียกว่าอธิปไตยบางทีก็อายุวันนะสุขภ า, าระปฏิพนันความเป็นผู้ไม่วาดสะดุง้งมีความเป็นจูอย่างอิสระเสรี สิ่งต่างๆเหล่านี้ในทางพระพุทธศาสนาท่านใช้ควาว่าฐานะแต่เราก็มาให้พรซึ่งกันและกันขอให้ต่างจงเจริญด้วยอายุวันเนสุขะพละปฏิปันธนาทานอร่อยต่างๆสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดนั้นในทางพุทธศาสนาเรียกว่าฐานะสิ่งที่ควรจะได้จะถึงกันได้ด้วยการกระทําของตนเองไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะอํานวยควาพรให้ แต่นี่สิ่งที่เราเรียกว่าพอรอนพรอนไปบอกความประเสริฐสิ่งที่ดีที่งามก็ไม่มีอะไรเกินกว่านี้แต่พรในทางพุทธศาสนานั้นหมายถึงสิทธิอันชอบธรรมที่จะพึงมอบที่จะพึงอนุ ญ, ญาตให้แก่กันและกันได้แต่ผู้ที่ให้พรมันจะต้องมีสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่น อารมานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขุนยมสุพรสุพัรซึ่งท่านผู้นี้หน้าอนุโมทนา น, น่ะเซล์เสรินเจริญจอตลอดเวลาที่ท่านมายนอยู่ในจังหวัดสกลนครสองเดือนแรกเนี่เกือบจะไม่ได้อยู่ในสาลากลาง ทันที่โยตเวนตลอดตลอดไปถ่นรุ่งเรืองเมืองกันดานบาอนลึกลับบาอนเล็กเมืองน้อยอำเภอใหญ่อำเภอโตเลยต่าง ๆ, ๆที่ไปยย่อมเยือนประชาชนจนคนไม่รู้จักว่าเป็นผู้วาราชการวันหนึ่งอดมาแสดงธรรมอยู่ที่บ้านปุดนาคามกับพวกเยาวชนที่ทำงานอยู่ในศูนย์ศิลป า, าชีพกำลังแนะนอาอบรนเยาวชนอยู่ ที่กําลังทํางานนำให้รู้จักทราบซึ่งถึงคนณค่าผาบบารมีปกเก่าวปกปกหม่อมของปัญางจ่าพรบรมราชนินีวน่าและพระบาทสมเด็จพระเจ้ายูหัวสอนให้เขารู้จักคุณค่าแห่งชีวิตที่เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยที่อุดมไปด้วยรัตนะคือคุณงามความดีสิ่งประเสริฐเปรียบเทียบความเดือดร้อนปนวายในประเทศต่างๆพูดถึงสิ่งที่เขาเดืรับคือพระมหากรุณาที่คุณแต่ทํางานทํากิจมีวิชามีอาชีพและก็พูดถึงว่าเขาจะต้องตั้งอยู่ในธรรม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 จะอ่านดูว่าใครที่จดจำได้คำสั่งสอนของท่านได้มากๆแล้วท่านจะได้รับรางวัลค่าตอบแทนจากท่านกูรราชการจังหวัดให้เขียนไปเลยนี่แหละคือพรอแต่เราไม่รู้จักวันนั้นคือท่านให้พรพรไปว่าสิทธิอันชอบทาสิทธิพิเศษที่ควรจะได้ควรจะถึงอย่างพ่อแม่บอกให้ลวูกไว้ลูกเอ้ย <c oughs> จงตั้งใจเอาวาเชื่อจในโอาวาเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อของแม่จงกระทำตัวให้ดีตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะลูกนะอย่ามัวไปเที่ยวเล่นอย่ามัวไปคบเพื่อนที่ไม่ดีไม่งามมันจะเป็นเสนียดจังไลแกชีวิตถ้าหากปีนี้ลูกสอบได้เตเท่านั้นท่านี้หรือว่าลูกสอบผ่านฉะนั้นจะนีพ่อแม่จะให้รางวัลพอจัก ซื้อนาฬิกาให้หรือว่าพ่อจากซื้อเครื่องเรียนที่ดีดีดงามหรือว่าพ่อแม่จากซื้อรถโมอเตอร์ไซค์ให้สักคันหนึง่งนี่คือพ่อแม่ให้พ่นลูกก็ตั้ง อ, อกตั้งใจอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ตั้งใจศึกษาเ ร, าเรียนเข้ามกเข้มข้นอยู่ตลอดพอเวลาสอบก็ออสอบได้จริงๆตรงนี้แหละสิทธิอันชอบทำสิทธิคือความสําเร็จอันชอบทำนะสิทธินั้นแปลว่าความสําเร็จนะคอยเข้าใจ ความสำเร็จอันชอบธรรมที่ลูกได้ตั้งใจเรียนจรวสอบได้ก็จะได้สิ่งที่พ่อแม่บอกให้ว่าจะมอบให้คืออาจจะให้สอยโคอทองคำอาจจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรต่างๆมาให้ลูกได้ศึกษาเรืออจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ตามแต่เราได้พวกกับลูกสิ่งนั้นคือพรพรที่มอบให้กันได้นั่นแหละเป็นสิทธิอันชอบธรรมแต่พวกเรานั้นให้พรกันเปล่าจะให้ด้วยความเพ้อเพ้ฝันฝันไป เสร็จแล้วคนที่จะให้พรนอกจากเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วจะส่งความสุขให้คนเองได้อย่างไรที่นี่สิ่งที่เราให้พรแก่กันคืออายุวันนะสุขภารปฏิพานธรรมสาราสมบัติหรือว่าอาธิปไตยความเป็นใหญ่ในตัวเองพระพุทธเจ้าท่านเรียกสิ่งนน้นวัานะแปลว่าสิ่งที่จะถึงได้จกถึงมี <c oughs> เข้าให้ถึงได้แต่ไม่ใช่คนอื่นที่จะ ทำให้จะต้องทําเอาเองด้วยเหตุ น, นี้ถ้าท่านต้องการอายุต้องการวันมะต้องการสุขะต้องการภาระละที่ให้พรอนันเตื่นกินไปทั้งบ้านทั้งเมืองนั้นท่านจะต้องลงมือประกอบคุณงามความดีการประกอบคุณงามความดีนั้นก็คือตั้งอยู่บนความไม่ประมาทเป็นเบื้องตน้นแล้วท่านจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เพราะเหต น, นั้นในวันปีใหม่นี้เ า, าจะมาโกยแจกแก้วอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลาย พรอนหมายถึงสิ่งประเสริฐเอเลี่ี่จักพึิงได้เป็นสิทธิพิเศษสิทธิอันชอบทาคือสิ่งที่จะได้มาโดยชอบทำด้วยการกระทำของท่านนั้นแอดาามาก็อยากจะอวยพรให้แก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันให้เข้าถึงฐานะที่ปาถนะไม่ว่าจะเป็นอายุวันนะสขุขะภาลักพรพอนปีใหม่ในปีนี้ ขออานวยอวยพรให้ท่านต่างหลาย <c oughs> เป็นหัวข้อที่จะกล่าวในวันนี้ว่าปีใหม่ยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรมนั่นเป็นยอดพรอนันประเสริฐที่สุดคือยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรมจาไว้ให้ดีว่าปีใหม่เราจะยกจิตใจให้เข้าถึงธรรม จิตใจเรายังต่ํำยู่ยังมีความเพ่นแก่เนื้อแก่ตัวยังมีความโลภความโกรธความหลงมากร่องลอยไปตามกระเสพอำนาจของความเผ็งแก่ตัวความโลภความโกรธความหลงเราก็ไม่เข้าถึงธรรมจะต้องยกจิตใจให้สูงจากสิ่งเหล่านี้การยกจิตใจให้ถึงธรรมก็คือยกจิตใจให้มันสูงพ้นออกมาจากความเพ่นแก่ตัวอันเป็นหัวหน้าของความชั่วร้าย พ้นออกมาจากอำนาจแห่งความรุบอย่างรุนแรงความโกรธความลงเต็มอัดแน่นอยู่ในหัวใจร้อยเปิดเสื็นให้มันลดลงลดลงลดล ง, ลดลงตามกำลังสติปัญญาของเราที่จะทำได้ส่งท้ายปีเก่าปีนี้ได้อ่านหนังสือพิมพ์มติชนลงวันที่23่ันวาคมที่ผ่านมาพาดหัวข่าวว่าคนไทยฆ่าตัวตายอันดับสองของโลกในที่สองของโลก หังนั้นในหนังสือเพิ่มนั้นก็ได้จําแนกแจก แ, แจงสถิติผู้ฆ่าตัวตายคนแก46่46เปอร์เซนขาวพ่อขาวแม่คนปู่คนย่าลงมาทั้งแต่ขาวพ่อขาวแม่ขึ้นไป46เปอร์เซนต่าตัวตายต่อมาก็หนุ่มสาวในไหวหวานไหวรักไหวเรียน16เปอร์เซนต่อมาก็เด็กตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปฆ่าตัวตายถึง สามจุดห้าเปอร์เซนตที่หน้าสลดสังเวชและหน้าสะดุ้งกใจ ก, กว่าอื่นใดก็คือว่าพระสององค์เจ้าในประเทศไทยทำอัตะวิธิบาทคต่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดาถึงสี่เท่านี่คืออะไรพวกที่นับถือพุทธศาสนาในบุติสโไฟา์ติดในพุทธสมาคมต่างชาติอย่างในอเมริกาในอังกฤษ ในประเทศฝรั่งที่เขาสนใจพุทธศาสนาตั้งเป็นพุทธสมาคมเขาได้อ่านข่าวนี้อย่างด้วยความโงนสนเทว่าเอ๊ะทำไมพุทธศาสนาเป็นศาสน า, าที่ประเสริฐเลอเลอิศเหมือนจะอยู่ในดาวแดนใดในวิกฤตการณ์อย่างไรก็ตามพันพวนแห่งธรรมชาติวิกฤตการณ์แปรปวนอย่างไร ผู้ที่ถือพุทธศาสนาเข้าถึงอนธรรมจะไม่มีภาวะเช่นนี้มีความกัดก่อมมอนเมืองเป็นทุกข์ใจจนเป็นโรคประสาทจนเป็นปากตายจนผูกคอตายข้าตัวตายทําอัตตะวิริบากเช่นนี้ทําไมเมืองไทยถึงถือว่าเป็นเมืองพุทธศาสนาที่โดดเด่นมาตลอดการจึงมีคนฆ่าตัวตายอันดับสองอีกไม่นานนั้นก็คงจะเป็นอันดับหนึ่งในยางความชงน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 ตั้งแต่หน่วยงานราชการถึงหน่วยงานเอกชนถึงชุมชนโดยทั่วๆไปถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับจากคนบ้านนอกตาสีตาซ่าถึงปัญญาชนระดับด็อกเตอร์ปริญญาถึงพระสองฆอง์จา่าที่ที่เยี่ยมแสดงธรรมที่ได้รับในมนในที่ต่งางๆอาดมาก็มาประเมินดูงานของตนเองว่าเราทํางานนี้ย่างไม่ได้ผลเท่าที่ควรแม้จะมีคนสนใจติดต่อเทพปัญญายทําปีหนึ่งเป็นหมืน่นๆม่ว น, อ, นออกไปเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่า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 ระดับตำบลอำเภอจังหวัดขึ้นไปจนถึงประเทศชาติเมื่อ น, นั้นแหละจึงถือว่าเป็นความสำเร็จของพระพุทธศาสนาในการทำงานของพระสององค์เจ้าอย่างเราแต่ทีนี่ผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตที่มีอภิสุทธิพจน์อำนาจโอกาสวาสนาในการปกครองในการบริหารไออย่างไม่มีความสนใจเท่าที่ควรยังทำเพราะเป็นประเพณีเพราะเป็นมารยาทในสังคมเท่านั้นยังไม่สนใจ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 ทนว่าที่ผ่านมาข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็ลงข่าวว่าคนไทยข่าตัวตายอันดับสองของโลกและที่น่าสลดสังเวชใจก็คือพระสององค์เจา้าฆ่าตัวตายสีเท่าของคนธรรมดานี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าบัตรีีจิตใจของเราได้ตกต่ามีความเห็นแก่ตัวสูงมีความทะเย อ, อทยานอยากสูง ไม่มีความยับยั้งชั่งใจวางไม่ลงปงไม่ได้ไม่เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเต็เมด้วยความยากได้อยากมียากเป็นจนไม่มีโอกาสจะนั่งลงมาพิจารณาถึงความเป็นจริงของชีวิตด้วยเหตุนี้เองปีใหม่ที่จะมาถึงนี้อาตามาจะมีความรู้สึกว่าไม่มีพร อ, อันใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าปลื้มเสดเลิศไปกว่าการยกจิตใจให้เข้าถึงธรรม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 เมื่อเก้าเข้าไปสู่ความเป็นนิกจิตใจก็ถูกนอกด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเพราะเหตุนั้นเองปีใหม่ที่จะมาถึงควรจะให้พรเขาว่าปีใหม่ยกระดับจิตใจให้เข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวด้วยความพิสูงหลายมนุษย์ในโลกเนี่ยมีอยู่สามประเภทท่านหลายหลองช่วยช่วยฟังดูว่าสามประเภทเป็นไหนึ่งพวกอนุโสโตะคามี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 บุคคลประเภทนี้เราก็ลองมาเปรียบเทียบดูพวกเราว่าเราจะเป็นประเภทไหนประเภทที่กําลังพัฒนาหรือประเทศที่ไม่พัฒนานั้นดิวิลโลปเมนหรือพวกที่เพิ่มดิวิลโลปเมผ่านการพัฒนาไปแล้วอันนี้น่าคิดจึงเอามาเปรียบเทียบดูให้เราทั้งหลายได้พิพจารณาจะได้เป็นพรปีใหม่สดใสสาบส า, บถาถึงปีใหม่แล้วยกเครื่องแห่งจิตใจรถยนต์เครื่องยนต์ทั้งหลายที่ใช้งานมานานพอ ถ, ถึง ปีถึงเดือนผ่านพ้นไปเมื่อเราใช้งานมันมามากๆเราก็ยังรู้จักยกเครื่องบวกลุกสูบมันล้วมพวกเครื่องหยดนมันร้วมแล้วเราก็ยังรู้จักยกเครื่องชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อใช้ชีวิตมามากได้ผ่านความดีผ่านความชั่วผ่านความสมหวังความผิดหวังผ่านความสุขความทุกข์มามากเราก็ควรจะได้มาตั้งตัวใหม่พิจารณาใหม่พัฒนาจิตพัฒนาใจตนเองให้มันดีมันงาม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 อายุนั้นจะได้มาด้วยการจเจริญอิทธิบาทสี่ส่วนวันละผิวพรรณอันพดผ่องงดงามจะเพิงได้มาด้วยศินเมื่อตนเองมีสินประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นอยู่ในสินงดงามหน้าตาก็จ่มใสเบิกบานเพราะไม่กินเน้งแขงใจไม่เน่าในเปียกแฉ่ไม่ติเตียนตนเองคนอื่นก็ไม่ติเตียนตนเองก็ไม่กินเน่งแขงใจตนเองหน้าตาก็จ่มใสสำหรับผู้ที่ตั้งอยู่ในสินอย่างนี้สินนั้นจะทําให้เกิดวันลนะ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 ที่เรียกว่าเอกังระมณังจิตตังเอกาทิ่ผาโบมีจิตไปสู่หนทางอันเดียวมีจิตอันเอกผุดขึ้นปริโยธาโตพุทธพองแจ่มใสแล้วจะโน้มน้าวจิตไปไปสู่ความสุขแบบไหนกระดาษช้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ซึ่งพระพุทธเจ้า ว, ว่าอายุได้มาด้วยธรรมที่เรียกว่าอิทธิบาลวันนะ้ได้มาด้วยธรรมที่เรียกว่าสิน สุขะได้มาด้วยธรรมที่เรียกว่าฌานพละกำลังอายุวันะสุขะพละพละได้มาด้วยอปามัญญาและโพคะพล ะ, พละออปามัญญาคือความเมตตาการุณามุติตาอุเบกขาไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเปรียบเสมือนโภคะอันยิ่งใหญ่ไปไหนก็ไม่อาภัพอับจนกระข่จิตใจมันเต็มไปด้วย ความสู่ความเบิกบานแจ่มใสซึ่งเป็นสุดยอดแห่งทรัพแห่งโพคะส่วนจากโพคะแล้วก็ภละภาละนั้นได้มาด้วยปัญญาคือวิมุตติภาพหลุดพ้นจากกองทับแห่งมานทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาบีบคั้นจิตใจให้เป็นทุกข์นั้นมันไม่มี จ, จิตใจมีสติปัญญาวิชาวิมุตติความรู้และความหลุดพ้นได้เกิดขึ้นเพราะนั้นอายุวันนะสุขภาละ ที่ประพุทตจาพูดถึงนั่นก็คือการตั้งอยู่ในธรรมสี่ประการคือสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อมีสติปัฏฐานทั้งสี่แล้วก็จะรวบรวมเอาธรรมที่จะก่อให้เกิดอายุวันนะสุขภะขึ้นมาคืออิทธิบาทีแล้วก็ศีอย่างนี้แล้วก็ฌานแล้วก็อปปัมัญญาแล้วก็มาถึงพิชชาวิมุตตินั่นคือพรในทางพุทธศาสนาฐานะที่จะเข้าถึง ขอให้ไปตามร่องร้อยแห่งพระบิดาทางที่เป็นโคโจรแห่งพระบิดาของเธอที่พระอารียาจาพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ดําเนินมาจะได้ออกนอกทางเช่นนั้นอันนี้คือพรเพราะฉะนั้นบัดนี้ปีใหม่มาถึงแล้วพรฐานอันประเสริฐที่ควรจะเข้าถึงเราก็ต้องมายกระดับจิตใจของเรายกจิตยกใจของเราให้เข้าถึงทำอันประเสริฐเหล่านั้นด้วยการมาพิจารณาพัฒนาตนเอง ย่าได้วังลมๆเล้งๆเพ้อเพ อ, เพอฝันฝันกับพรที่เขาเอื้ออํานวยอวยพรให้แก่กันแหละกันยังหน้าไม่ยังออกตรมอยู่หลอกลวงทั้งตนเองทั้งผู้อื่นว่ามีความสุขแล้วก็ส่งความสุขให้แกกันและกัน้ท่านสาวธิชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตัดไว้ว่าเดียก่อนที่สุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกมีปรากฏในโลกสี่จำพวกเป็นชนนัคือบุคคลผู้ไปตามกระแสนี่ประเภทหนึ่ง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 กระแสเหล่านี้โจอาตมาจึงแปลเป็นใหม่เป็นคําใหม่ว่าบุคคลผู้ที่ไม่พัฒนาในประเภทหนึ่งและประเภทหนึ่งคือผู้ที่กําลังพัฒนาตนเองพวกที่ทวนกระแสและอีกประเภทที่สามบุคคลที่พัฒนาตนเองไปได้เยอะแล้วได้ตั้ครึ่งแล้วส่วนประเภทที่สี่นั้นบุคคลผู้ผ่านการพัฒนาจนจบขบวนการพัฒนา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 เมื่อไม่ได้ดังใจตามที่เราวิ่งไปตามกระแสเมื่อนั้นความทุกความเดือดร้อนความเศรมองความวัฏ ม, ค, มค้มขืนก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดความทุกข์ก็พยายามที่จะออกจากทุกข์ก็โดยวิธีพักดานต่อสู้ก็นอกจากความโลภเกิดแล้วความโกรธโทสะก็ตามมาเมื่อโลภยากได้เมื่อไม่ได้ดังอยากก็เกิดความไม่พอใจก็เกิดทุกเกิดโทษเลยว่าเกิดโลภแล้วก็ตามมาด้วยโทสะหลังจากนั้นก็ถึงโมหะ ลุ่มหลงว่าโชคนี้โลกนี้ช่างโหดร้ายทารุณต่อฉันเลยเกินปัตนาสิ่งใดก็ไม่ได้สิ่งนั้นฉันช่างอาพับอัปภากเลยเกินในที่สุดก็เป็นทุกข์มากก็เป็นโลกประสาทเมื่อเป็นโลกประสาทหลงเข้ามากๆบางทีทนไม่ได้ก็ตายเสียเถอะใหญ่อยู่เลยโลกนี้เป็นโหดร้ายทารุณต่อฉันเลยเกินค่าตัวตายก็มากขึ้นเป็นโลกประสาทมากเก้นนี่คือบุคคลผู้ไปตามกระแสจิตกระแสใจเรียกว่าไม่พัฒนาตนเอง ภาษาบาลีว่าอนุโสตคามีต่อมาก็ผู้ที่พัฒนาคือบุคคลประเภทที่สองบุคคลผู้ไปทวนกระแสภาษาบาลีว่าปฏิโสตคามีผู้ทวนกระแสผู้ทวนกระแสนี่เป็นอย่างไรอารมณ์ใดที่ตาได้เห็นรูปใดที่ตาได้เห็นเสียงใดที่หูได้ยินกินใดที่จมูกได้สมัมผัสรสอันใดที่ถูกเข่ากับริ้น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 บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเสพกามทั้งหลายและย่อมกระทํากรรมอันเป็นบาปนี่เราเรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแสดูความี่สังไยบุคคลผู้ทวนกระแสเป็นชนับุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไม่เสพกามและย่อมไม่กระทํากรรมอันเป็นบาปแม้มีหน้านองด้วยน้ําตาร้องไห้อยู่เพราะประกอบด้วยถูกบงังเพราะประกอบด้วยโทมนั์บางก่อประพฤติ ตนเองให้มันดีมันงามเรียว่าประพฤติประรมาจันให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นี่เราเรียกว่าบุคคลผู้ทวนกระแสตัว น, นี้สําคัญมากคือบุคคลผู้พัฒนาตนเองไม่จะถูกกิเลสตัณหาอารมณ์ที่ป่าธนาเล่าร้อนบีบคั้นอยู่จนร้องไห้น้ําตาไหลหนองหน้าก็ไม่ยอมก้มหัวให้แก่อารมณ์นั้นไม่ยอมก้มหัวให้แก่ความชั่วอยากจะทําชั่วยังไงไม่ทําฟื้นใจเว้นการกระทําที่ชั่ว แม้ว่ามันจะเล้าจิตเล้าใจมีความปาทะน้าอยากจะทําใจจะขาดร้อนน้ําตาไหลอาบแก้มน้องหน้ามาไม่ยอมทําไม่ก้มหัวให้แกมันอย่างนี้เรียกว่าฟื้นความรู้สึกทวนกระแสปฏิโซตะคามีนี่คือการยกระดับจิตยกระดับจิตให้เข้าถึงความเป็นจริงสิ่งที่มันถูกใจมันอาจจะไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นมันอาจจะไม่ถูกใจการยก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 ยกตัวอย่างง่ายๆว่าอย่างสมมุติว่าบวชเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าชีวิตของพระสองฆ์องค์เจ้านั้นเป็นชีวิตที่จะต้องทวนกระแสมากมีตาก็ไม่ได้ดูสิ่งที่โลกเขาดูสนุกสนานอย่างที่เขาร้องล้ำทําเพลงเขาหนุ่งน้อยหอมน้อยชเ่วบชั่วปโป่วยเมื่อมีตาก็ฝืนใจไม่ดูไม่มองมันแม้จะเห็นก็จะหลับตาไว้จะเบือนหน้าไปทางอื่นจิตใจมันดิ้นรนอยากจะดูอยากจะเห็น แม้ไม่มีใครบังคับว่าศึกไปก็ได้นะไม่มีใครบังคับเขาคู่เข้าตะลางมีสิทธิ์ที่จะศึกไปได้แต่ไม่ศึกไปตามอำนาจจิตกิเลสตัณหาโคมจิตข่มใจฟื้นประพฤติธทำน้ำตาไหลหนองหนาก็ยอมอย่างนี้มีหูก็ไม่ฟังเสียงที่จะก่อให้เกิดอารมณ์เอนเตอร์เทเนเมนต์ก่อให้เกิดโทษเกิดทุกเกิดความป่าเถื่อนนะเราล่อนเสียงขับเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำอะไรต่างๆเฟื้นใจไม่ฟังทั้ ง, ท, ง, ท, ง, ท, งที่มีโอกาสจะฟังได้ มีวิทยุก็ไม่ฟังเสียงเพลงแล้วนั้นเธอแลท่านก็ไม่เอามันมาดูมามาชมอย่างนี้เลยบอกฝืนควรกระแสที่ว่าปฏิโซตะคาเมแม้จะอยากศึกออกไปอยากจะไปเป็นคาราวาตัตอยากจะไปดำเนินชีวิตแบบคาราวาตัตก็ไม่ยอมออกไปยอมทนทุกทรมานฝืนความรู้สึกที่ว่าแม้มีหน้าที่น้องด้วยน้ำตาร้องให้จุ พ่อประกอบไปด้วยความทุกข์พ่ประกอบไปด้วยโทมันั้นที่มันบีบคัน้นจิตใจความป่าเถนาฝ่ต่านั้นแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมไปตามกระแสแต่จะทวนกระแสเพื่อประพฤติพรหมจนรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเลยว่าผู้ทวนกระแสปฏิโซตคามิทวนฟืนจิตฟืนใจเว้นจาก โทษจากความชั่วจากทุกทางปวงแม้อยากจะทำใจจะขาร้อนรอนแม้มีโอกาสจะทำได้ไม่ทาไม่ยอมก้มหัวให้แบ ค, ความชั่วส่วนคุณงามความดีมันทำยากแม้ไม่อยากทำก็ต้องทำตื่นมาดึกดึกเดินเไม่อยากลุกก็ต้องลุกมานั่งสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาแม้จังหวงเหาเหานอนสปงอกสปงาง ไม่ยอมนอนกับมันให้มันนั่งทรมานกิเลสอยู่ตรงนี้กิเลสเดีทรมานเรามาแล้วหลายแสนชาติบัด น, นี้เราจะทรมานมันขึ้นยืนเดินนั่งนอนขับไล่ความง่วงขับไล่นิวรธรรมออกไปสมัยอื่นอีกเมื่อเราฟื้นไปฟื้นไปฟื้นไ ป, นไปก็จะถึงภาวะที่ตั้งมัน่นอยู่กับความสดชื่นแจ่มใสหมายก็ว่าฟื้นใจเว้นชั่วแม้จะน้ำตาหนองด้วยเต็มหน้าไปหมดร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้า ก็จะฟื้นใจเว้นจากการกระทําชั่วแม้จะร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าก็จะฟื้นใจขม่มใจสร้างแต่สิ่งที่มันดีมันงามเมื่อฟื้นไปฟื้นไปฟื้นไปฟื้นไปในที่สุดก็จะเกิดเป็นความเคยชินเรียกว่าทิตตโตผู้ตั้งมั่นแล้วไม่ต้องฟื้นต่อไปคือผู้ตั้งมั่นนั้นไม่มีโอกาสฟื้นในที่นี้ประพุทจ้าของเราท่านตัดว่าตั้งแต่ปุถุชน ผู้เป็นคนธรรมดาแต่ฝืนใจประพฤติคุณงามความดีจนมาถึงพระอาริยเจ้าฉันตนตนโซโดาบันสกิทาคาอนาคาพอมาถึงอนาคาแล้วฉันเรียกวัาทิตโตผู้ตั้งมันอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมานั่นรีเทิร์เนภาษาฝรั่งก็ว่าผู้ไม่กลับมาไม่ว่าไม่กลับมาสู่อารมณ์ของโลก แม้ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่เหมือนคนธรรมดากินข่าวกิน ป, าปลาเจ็บปวดรวดล่าไปทายในห้องส่งอุจจารปัสสาวะเหมือนกับคนเราแต่จิตใจไม่กลับมาเพื่อจะเป็นคนอย่างคนปุถุชนธรรมดาอย่างเราแม่นางฟ้าแห่กันมาทั้งสวรรค์ท่านก็ไม่มีความพิศวะพิศวงเอ็นเตอร์เทนเมนต์อะไรเลยและก็ไม่มีการบังคับใจของตนเองเพื่อฟืนสิเหล่านั้นเรียกว่าิ ตโตผู้ตั้งมั่นแล้วไม่ต้องฟื้นใจมีแต่จะด่วนไปข้างหน้าไม่กลับมาทําอาสวะสังโยชน์เบื้องต่ําโอลำพาเฮียสังโย์สิ้นไปแล้วที่นี้ก็เหลือแต่อุทธรรมภาเฮียสังโยชนตอีกห้าประการเบื้องบนสุดท้ายเมื่อท่านตั้งมั่นแล้วท่านก็นมีเจ้าจ่าไปสู่ความสิ้นทุกข์ในที่สุดก็จะถึงฝั่งดินโนปารคัตโตพูดถึงฝั่งคือผู้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่พวกเรานั้น ยังไม่เป็นพระ อ, อรหรันยังไม่เป็นพระ อ, อริยเจ้าแต่ก็จงเป็นผู้พัฒนาฝื้นจิตฝืนใจเข้าทํานองคนโบราณที่ปอกกว่าขั้นปล่อยตามขบวนอ้อยล่าหวานบ่มีฝืนขมแล้วย่ามใดเคลื่อเขาห้อมากกอดเกี่ยวล่าอ้อยพัดดาวคมไม่ก็ว่าคนเรานั้นมีสองประเภทเหมือนประเภทที่เป็นอ้อยแล้วก็ประเภทที่เป็นบลับเพชรภาษาภาคอีสานว่าครือเขาห้อม ภาษาภาคกลางว่าเถาบอระเพ็ดที่มันแสนจะขมเมื่ออ้อยอยู่เฉพาะ อ, อ้อยอ้อยนั้นก็มีรสหวานหวานขึ้นอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อวันเวลาใดเผาบอระเพ็ดได้มาเกี่ยวพันต้นอ้อยลำอ้อยนั้นนานๆเข้ารสหวานของอ้ออ้อยนั้นก็ค่อยๆกลอยกลายมาเป็นรสขมที่มันขมนั้นเพราะว่ามันอนุโสตะขามี มันไปตามกระแสลอยไปตามกระแสของอ้อยอาของของบรเพชรส่วนบรเพชรนั้นเมื่อมาเกี่ยวมาพันลำอ้อยแล้วทำไมบระเพชรจึงยังรักษาความขมของมันไปได้ทำไมมันจึงไม่หวานไปกับอ้อยบ้างแล้วหมายก็ว่าเผาบรเพชรนั้นมันปฏิโซตขามีมันเป็นตัวทวนกระแสไม่ไหลไปตามกระแสที่มันเข้ามาโผลพันคืออ้อยนั้น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 ในที่สุดก็ล้งและเลิ่อไปตามกระแสอำนาจแห่งกิเลสตัณหาลอยไปตามนะั้นก็กลายเป็นลำอ้อยที่ต้องกล่อยขมไปกับเขาห่อบอระเพ็ดด้วยเหตุนี้คนโบรานจึงบอกว่าขั้นปล่อยตามขาบวนอ้อยลำหวานบ่มีเฟือนขมแล้วงามใดคือเขาห้อมากก่อยเกี่ยวลำอ้อยผัดตาวขมเราจะต้องมาพัฒนาจิตใจของเรายกระดับจิตใจของเราให้มันเป็นเถาบอระเพ็ดเหมือนบอระเพ็ดที่ไ ม, ม่ยอมหวานไปกับอ้อย ไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆถ้าเป็นพระสงฆ์เจา้าก็เหมือนกันเรียวกับครูบาอาจารย์พาฝึกพาหัดกอบเป็นผู้ตื่นดึกลุกเช้าเจริญสมาธิภาวนารับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ร, รักษาพระธรรมวินัยไว้อย่างดีงามแต่วันดีคืนดีส่งไปเรียนหนังสือไปอยู่กับโมคคัะในเมืองนิสัยที่เคยฝึกมาอย่างดีกับครูบาอาจารย์ค่คอยๆเจือจ า, างลางล แล้วก็กลายมาเป็นการกระทำกับหมู่สงฆ์องค์เจ้ายังอยู่ในเมืองจะทำอย่างไรก็ทำมีฐานะมีความเป็นโยบ่อยไปตามจิตตามใจตามกิเลสตามตำน า, มาไม่มีการรู้สึกฝืนเลยลักษณะเช่นนี้แหละที่เรียกว่าอนุโซตะคามีด้วยเหตุ น, นี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงแบ่งไว้เป็นสี่ประเภทพวกที่ตามกระแสเรียกว่าพวกไม่พัฒนาตนเองนั่นดวิโลปเมนส่วนพวกที่ฝืนที่ทวนกระแส ก็เรียกว่าผู้ที่พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาพวกดีเวล็อปเมนส่วนผู้ที่ฟื้นทวนกระแสไปถึงที่ตั้งมัน่นไม่ต้องเฟื้อไม่ต้องทวนอย่างน้อยถึงอนาคามีไม่ยอมกลับมาู่โลกแม่นอนที่ยงแท้ที่จะปรินิพานที่จะหมดกิเลสตัณหาพวกนี้เรียกว่าทิตโตผู้ที่ตั้งมั่นแล้วผู้ที่ถึงฝั่งหมดกิเลสตัณหาถึงเวทหมดความทุกข์ ทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปปรินิพานแล้วคำว่าปรินิพานนั้นไม่ใช่ตายนะคอยเข้าใจกิเลสตายไม่ใช่ตัวคนตายตัวคนตายนั้นเรียกว่าตายภาษาบาลีเรียว่ากระทากาละมรณะบ้างคือตายนั่นเองแต่กายกายสสะเพทางปรมมรณะเนี่ยแต่กายทําลายคันเร็วตายเร็วกายทางกายแต่ควนปรินิพานนั้น หมายกว่ากิเลสมันตายตายทั้งๆทงีชีวิตยังมีอยู่ยังเดินยังเดินยังไปยังมากความทุกข์มันตายไปจากจากิตใจจนไม่มีโอกาสจะทุกข์อะไรขึ้นมาหมายกว่าผู้พ้นจากความทุกข์ดินโนปาลคโตผู้ถึงฝังี่ฟังให้ดีด้วยนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตัดไว้ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุดในธรรมปีนัยนี้ผู้ออกวันแล้วด้วยสธาเธอตั้งหนาตั้งตาประพฤติพรหมจรรย์ แม้จะถูกกิเลสตันหาบีบคั้นเธอร้องไห้จนน้ำตาไหลนองหน้าเพราะเหตุแห่งความทุกโธมนัดจากกิเลสตันหาบีบคั้นแต่เธอก็ตั้งอกตั้งใจฟื้นใจประพฤติพรมจันทร์ด้วยน้ำตาร้องไห้จนน้ำตาไหลหนองหน้าเธอไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำเธอประพฤติพรมจันทร์ด้วยน้ำตาเป็นปฏิโซตะคามีบุคคลบุคคลผู้ฟื้นผู้ทวนกระแส เรากะว่าเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยนี้เพราะฉหนั้นปีใหม่มาถึงเรามาเป็นยอดนักรบเรามาเป็นปฏิโสตะคามีมาเป็นผู้ทวนกระแสเป็นผู้พัฒนาตนเองไม่ต้องลอยไปตามกระแสแห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสสัมผัสอารมณ์ตามกระแสแห่งกิเลสตันหะเมื่อเราฝืนเมื่อเราทวนนานเข้านานเข้ามันก็จะกลายเป็นความเคยชินไม่ต้องฝืนไม่ต้องทน เว้นจากการกระทาความชั่วโดยไม่รู้สึกว่าบังคับใจเองให้ให้เว้นเพราะมันกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็ทำคุณงามความดีในเนื่องในตัวในจิตในใจทั้งกายวาจาใจเป็นกุศลกรรมบทการกระทาคุณงามความดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำการเว้นจากความชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นเพราะมันกลายเป็นปกติกลายเป็นความเคยชินเสียแล้ว ไม่ยอมก้มหัวให้แก่ความชั่วน้ำตาไหลนองหน้าก็ไม่ยอมก้มหัวลงไปสังเกตดูเราทำชั่วเราก็ยังต้องฝึกลองคิดดูว่าเวลาเราโสบบุหรี่เรากินเหล้าซิ่งต่างๆแล้วนี้เราจะต้องมาฝึกเอาร่างกายเราไม่ได้ปาถนาไม่ได้ต้องการควันบุหรี่เต็มไปด้วยนิโคตินมิเตยาพิษ ท, ทั้งนั้นร่างกายไม่ปาถนาแอลกอฮอล์เล็กไม่ปารถนาเหล้ายาเรามาหัดโสบใหม่ๆทั้งไอทั้งจามปวดหัวมัวเก่าสมัครคักแค้น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 กินเหล้าเมือนกันกินเล้วปวดหัวมัวก้าหลากักอาเจียนออกมาจนจะล้มจะตายฟื้นทั้งคมทั้งคืนร่างกายเขาไม่ได้ปาธนาะแต่ก็ฟื้นยัดเยียดปฏิโซตคามิงทวนกระแสะความปาธนาะธรรมชาติของร่างกายนานๆเขากลายเป็นความเคยชินไม่ได้เซฟไม่ได้ซูปไม่ได้ดืม่มไม่ได้กินมันจะตายให้ได้ต้องไปหามาปอดมันเขาก็มาทาความดีอย่างนี้ ทำความดีฟื้นเว้นจากการชั่วฟื้นใจสร้างคุณงามความดีฟื้นใจเจริญสมาธิภาวนาขี่เกียรแค่ไหนก็ลุกขึ้นมาทําเด็กเดิ น, ดนขี่เกียร์แค่ไหนบังคับใจให้หนังสมาธิเดินจงกรมขี่เกียรพิจารณาอย่างไ น, นก็บังคับใจให้มันพิจารณานานๆเข้าเมื่อเราฝืนเข้าฝืนเก่ามันก็ถึงความเคยเชิยนเป็นที่ตตโตถึงภาวะที่ตั้งมันวันนั้นไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาวันนั้นเป็นอันใหม่เพิดใหม่เพินใหม่นาอยู่เนี่ย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 ที่นั้นเราไม่ไปที่ใดไปแล้วจิตใจจะดีจนงามจะสงบจะรำงับเราจะฝืนใจไปที่นั้นที่ใดเราจะไปด้วยความสะดวกสบายแต่ไปแล้วจะทำให้กิเลสตันหาลุกฮือฮือขึ้นจังจะไปในช่องในครับในบาหรือจะไปในสถานที่ที่จิตใจเราจะแตกกระเจิงหลงระเริงไปกับมันไม่ไปแต่ที่ใด ไปแล้วจิตใจจะสงบระ ง, งับจะมีสติมีปัญญาที่ได้ดท่านแสดงธรรมที่ได้ทันฝึกอบรมสมาธิภาวนาบวชในขัามมะจารีในขัามมะจารีนิชีภาพแม้ไม่อยากไปโคบังขับใจไปฟื้นใจไปอาบุคคลใดไปแล้วครบแล้วทให้จิตใจเราหลงไปกับบุคคลเหล่านั้นในทางที่ไม่ดีไม่งามไปแล้วจะอดใจไม่ได้จะไปเล่นให้โล ก, กับเขาจะไปกินเหล้ากับเขาจะไปสนุกสนานเขาไม่ไปหาหัวมันเลยคนคนนั้น เรียกว่าเว้นสถานที่ชั่วเว้นบุคคลที่ชั่วแม้อยากจะไปใจจะขาดก็ไม่ไปแต่บุคคลใดไปแล้วทำให้เราสงบปรมงับทำให้เรามีสติมีปัญญาทำให้เรารู้สึกกล้กล้าร่าเริงในการประพฤติปฏิบัติดีงามมีกำลังจิตกำลังใจแม้ไม่อยากอยก็บังคับจิตใจไปอย่างเช่นไปฟังเทศไปฟังธรรมไปหาครูบาอาจารย์ที่ตัดแนะนําท่ำสอนใจไม่อยากไปก็บังคับมันไปฟื้นมันไปอย่างนี้ คือไปคบคนที่ดีกันระยาน้ำมิตรตาหาคนที่ดีๆงามๆที่จะเป็นสภาพแวดล้อมแก่จิตแก่ใจเป็นผีเลี้ยงแก่จิตแกใจเป็นผู้ปรึกษาที่ดีที่งามจะไม่ไปสู่ปาปมมิตรคนชั่วปีใหม่เราจะไปสถานที่มันดีเราจะเว้นสถานที่มันชั่วชาปีใหม่เราจะไปพบคนที่ดีๆเราจะเว้นคนที่ไม่ดีไม่งามที่จะพาเราไปทําชั่วไปพูดชั่วไปคิดชั่วหลังจากนั้นปีใหม่นี่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 ทวนกระแสแห่งอารมณ์ความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเราทรวนมันเข้าวทวนมันเข้าวทวนมันเข้ามันก็กลายเป็นความเหงอชินโดยไม่ต้องทวนกระแสเลยกลายเป็นถิตัโตผู้ตั้งมันม่นไม่หวั่นไหวกับความชั่วไม่หวั่นไหวกับคุณงามความดีที่จะตรงมาบังคับกันแต่มันจะเป็นสิ่งที่ทุกข์ที่ต้องที่ดีที่งามยนในจิตใน ในเนื้อในตัวในจิตในใจตลอดการคนอื่นจะยกต่องก่อตามส้นเะเซ่นก่อตามจติตชิ้นนินทายังไงก็ตามเมื่อหวั่นไหวอย่างนี้เลยวะ่ะที่ตัดโตผู้ตั้งมั่นแล้วก่็แน่นอนตินโนปารคตโตที่จะขามพ้นถึงฝั่งเพราะฉะนั้นชีวิตนี้จะต้องมาพัฒนาปีใหม่มาถึงแล้วควรจะตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่กับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วให้เป็นดีหัวเผือกหัวมัน ครบหนึ่งปีมันทวีขึ้นมันใหญ่มันโตขึ้นกว่าเกา่าแต่พวกเราหนึ่งปีทวีคุณงามความดีขึ้นบ้างหรือไม่หรือหนึ่งปีทวีชั่วเอาแต่ความชั่วมาเพอะพูนกินเหล่าเมายาหัวหกคนขลิอยาเดมวดประมาทเลย พระพุทธจ้าทำมาอจเจนติกาลันตระยันติรติโยวโยคุณหาอนุปพังชหันตีวันคืินก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งไหวเกาะละไปโดยโดยลำดับโดยลำดับอายุก็ใกล้เข้ามาอีทังพระยังบลเนยเปกขมาโนเมื่อมีภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้าจะมาถึงดูลมละลอแล้วท่านบอกว่าปุญญานิกจิรถ า, าสุขาวหาณิจงรีบสร้างแต่คณงามความดีอันจะนำสุขมาให้ หรือถ้าจะให้สูงยิ่งกว่านั้นอิทังพยังมลเนเปขมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายมีรออยู่เฉพาะหน้านี้แล้วโลกามิสังปะชะเหสันติเปคโคจงคายเย่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติสุกเทิด นี่การคำ่าค้ายืนในโลกนี้แหละคือการทวนกระแสและปฏิโซตะคามีคือการยกระดับจิตใจอยู่ในโลกคืออะไรอยู่ในโลกคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสคืออารมณ์ที่ยั่วยุนที่ถูกอกถูกใจชอบอกชอบใจปิยโลเกสาตโรเกปิยะรูปั้งซาตารูปั้งความรักความพอใจที่มีอยู่ในโลกสึ่งเหล่านี้คือเหยื่อ เยื่อ yeah. เราจะต้องคายเยื่อขายความรักขายความพอใจในอบในเสียงในกินในรถเืินจิตเืินใ จ, นใจเสียงที่เราเราจิตเราใจรูปที่ยั่วยวนจิตใจให้ไหลลงเราก็เืินใจขายออกมาจากสิ่งเหล่านี้อ้นี้เรื่อว่าพยายามขายเยื่อเยื่อกับอาหารไม่ใช่อันเดียวกันถ้าอาหารและเป็นที่ตั้งแห่งร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตกินแล้วไม่มีโทษ ส่วนเหยื่อที่เขาเลี้ยงปลาเหยื่อที่เขาเลี้ยงไก่นะเขาเลี้ยงไว้เพื่อจะฆ่ามันเพื่อจะขายตัวมันเขาจึงไม่เรียก ว, ว่าอาหารเขาเรียก ว, ว่าเหยื่อด้วย เ, เหตุนี้ในวันปีใหม่มาถึงนี้ขอให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้รู้จักข่มจิตข่มใจฟื้นอารมณ์ขมอะไราท่วนกระแทแห่งกิเลสปัญหาขายเหยื่อในโลกได้เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขความสงบความทุกข์ก็จะมีน้อยลงผ่อนปีใหม่ก็จะสําเร็จแก่